Pahau a'to arhato sama samputersa Nam believers Pahau a'to arhato sama samputersa Namılan bookers Sranang Thamang Sranang Kacchami Thamang Sranang Kacchami Sangkhang Sranang Kacchami Thuttyyampi Thutthang Sranang Kacchami ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมันังนิทฺธิตังเจริญ <t 'yampi> อ่าวันนี้วันพุธที่ 24 แล้ว 24 ธันวาคม 2557 พรุ่งนี้ 5 6 วัน ผ่านไปผ่านไปไวเหมือนโกหกอ่าเขาว่ากันบรรยายอะไรอะไรไปก็ขอเอ่อ โฆษณากันอยู่เยอะอยู่แหละนะก็โฆษณากันอยู่วันนึงหลาย 3 บอเราเนี่ยวิทยาลัยบรรดาบัณฑิต ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นี้เป็นวันแรกน่ะไปหมด 3 มกราคม 2558 เพราะงั้นก็ อ่ะเข้ามาลิ้มลองเข้ามาทดพอใช้แค่ตอบใช้แค่มาฝึกกายวาจาใจเป็นบําเพ็ญคุณบําเพ็ญคุณ 4 บําเพ็ญธรรม 7 วันด้วย คนเรื่องวิธีการของคนอ่านอก น่าเรียนกันทุกวันพักพร้อมกันอ่าแม้จะมีปริมาณ นั่งเข้าห้องเรียนกันวาระประมาณนี้ 70 80 90 100 นึงๆอาตมาก็ตั้งใจนะและหลายผู้หลายท่านที่กันสอนช่วยกันแนะนําผู้ที่ๆแล้ว เข้าห้องเรียนกันได้เข้าห้องเรียนกันได้พอสมควรทีเดียวนะอาตมาก็อบๆก็ กันวัน 28 วัน 26 เค้าให้เข้า 26 มาช่วยเตรียม 26 27 28 ก็เริ่มต้นละเข้าสนามรบ 27 ก็มาดูทิศทางที่ว่างผู้ อ่าทางด้านอีก 6 นะ 26 ธันวาคมเวลาบ่าย 2 ที่บ้านราษฎร์เพราะฉะนั้นสมนะหรือว่า 26 ธันวาคม จะประชุมกันน่ะไหนมาจะช่วยกันในเรื่องของการงานการประชุมกันจริงๆแล้วงาน วบว. เนี่ยอาตมา แต่อาตมาก็ดูแลอยู่ทั้งนั้นแล้วก็เช็คก็ตรวจ ไม่เกิดมากเกิดผลอะไรเกิดมรรคเกิดผลอะไรเจ้าตัวไม่มีปัจจตังเวทิตัพโพวินยุหิเลยถ้าอย่าง เกิดเป็นจริงๆถ่ายทอดให้เกิดเชื้อเชื้อแท้ๆได้จริงๆเพราะ พอศึกษามาจริงๆมาตาคืออะไรปิตาคืออะไรแล้วการเกิดก็อาการสัญชาตะอกันตะอกันตะสัญชาติสัญชาติอกันตินิพพัตติอภินิพพัตติเราเรียนนะตาม สังชาติคืออาการยังไงโอกันติคืออาการยังไงเอ่อนิพพัตติคืออาการยังไงนิ ไม่ใช่งมงายถ้างมงายก็แน่นอนมันอ่านไม่เป็นไม่เข้าถึงปรมัตติที่แท้จริงนะทําให้เกิดทางจิตวิญญาณไม่ได้ทําให้ตาย ของโลกุตระจริงแต่ถ้าเพิ่งศึกษากันจริงมีจริงซึ่งอาตมามั่นใจมีสมาธิทิฐิได้มีมรรคมีผลทนอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่สําคัญและ <ม. S 1> ยังเป็นภาวะของภพของชาติไม่ใช่ไม่การอยู่ได้ๆอาตมา อารักฐานจากพระไตรปิฎกนี่แหละเรายึดถือพระไตรปิฎกนี่แหละอาตมาว่าพระไตรปิฎก ไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่นักค้นคว้าไม่เก่งจริงๆไม่ๆนะถ้าอาตมาหมดไม 45 เล่มหรอกได้อ่านจริงๆจังๆสักครึ่ง true มันจะได้อะไรอะไรมากกว่านี้เยอะๆๆนะเอ่อ สูตรแดนทํา 16 นี่แหละอยู่เนี่ยอาตมายังไม่ได้อ่าน 240 นี่ 230 ใกล้กับจิตเดี้ยไม่ได้อ่านน่ะพออ่านแล้ว ในข้อ 230 ข้อ 231 นี่นะ 232 เข้าก็ยิ่งจะข้อ 230 สมัยหนึ่งพระผู้ ที่นั้นแลก็ภูมิมีพระภาสตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูแก่ภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่มิได้สดับฟังดีๆนะตั้งใจฟังนะปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลาย จะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้าง ความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตาย 4 นี้ย่อมปรากฏใช่มั้ยปุถุชนก็ก็รู้มัน กายนี่แถมในร่างนะอาตมาว่าลองดู ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง 4 นี้ว่าถึงยังไง จิตบ้างมโนบ้างฟังให้ดีนะท่านเอาจิตเข้าไปใส่ในกายนะเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิต ยึดถือด้วยทิฏฐิว่าฉะนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายในพระบาลีท่านใช้คําว่ากายังท่านใช้ ไอ้กายนี่คือมหาภูตะรูปเท่านั้นไม่มีจิตร่วมเห็นมั้ยชัดโอ้โหสูตรนี้เนี่ยอาตมาใช้ใช้ๆเลยน่ะโอ้โหเอ่อ ขึ้นภูเขาขึ้นครกได้เลยมันจะเกิดครกขึ้นภูเขา ยังชอบกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบใหม่ 4 นี้เมื่อปีนึงบ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี 50 ปี 100 ปีบ้างยิ่ง 100 บ้างย่อม มโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นดวงนึงเกิดขึ้นดวงนึงดับไปในกลางคืนและกลางนี้ที่ท่านแปลนี่ในพระไตรปิฎกท่านเอาคําว่าร่าง เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างโอ้โหอ่าดีจริงๆเอาล่ะข้อ <c oughs> 32 232 ก็เป็นการยกอุทธาหรณ์นี่ยืนยันว่าดีไปๆมันยิ่ง มั่นใจที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันก็ <c oughs> ห่าข่าวหาน <c oughs> SMS ที่ท่าน SMS มาคราวก่อนนี้อาตมา ก็ดีดีมากเลยก็ขอบคุณแล้วก็ดีมากนะอบอุ่นใจมีผู้ที่ฟังแล้วก็สนใจวิเคราะห์วิจัยกันๆไม่มี น่าผมก็ว่าท่านว่างั้นนะท่านฟังแล้วท่านก็บอกผมก็ว่า หมายถึง ปส. 2559 มาตั้งแต่หลัง 49 มาอย่ามองแต่ความผิดคนอื่นแต่ยังไงเสีย เป็นพวกเดียวกันนะแล้วก็อีกขึ้นย่อนาใหม่ก็ ว่าตามวิธีผู้พิพากษาไม่ใช่สิตัดสินล่วงหน้าสิครับตาม นะอังเลน่าなおอาตมาก็ขอ ถ้าขายข้าวได้หมดจึงรู้ตัวเลขที่แท้จริงขายข้าวได้หมดจึงรู้ตัวเลขที่แท้จริงโอ้ติดตามอาตมายังไม่ล้านรถไฟนี่มันประมาณ มันจะจะ 200,000 ล้าน 250,000 ประมาณนั้นดูเหมือนท่านจริงท่านต่างๆติดในโลก แต่นายกปูนี่ก้าวเออดีนะได้ว่าเล่นขี่ช้างก็ เอาล่ะเรื่องที่ว่าอนัตมาไม่มีข้อมูลอย่างที่ว่านี้ทีเดียวนะ ตรวจสอบกันเข้าล้านน่ะฮะ 6.8 แสนล้านน่ะ 6.8 แสนล้านไอ้ข้าวที่ เป็นหานอะไรขายได้มากกว่าก็ว่าไปก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาก็ไม่ตัดสินล่วงหน้าละไม่ใช่หรอกนะไม่ได้โกงไม่ได้อะไร เข้าไปคาอยู่ในนี้ข้ามปีไปแล้วไอ้เงินลงทุนไปแล้วต้องมีกี่แสนล้านน่ะเกือบจะถึงล้านล้านเนี่ยคิดดอกเบี้ยคิดอย่างทุนนิยมๆแล้วนะ <c oughs> ที่พูดนี้เราไม่ได้มาเถียงกันเพื่อเอาแพ้เอาเป็นการศึกษาเป็นตามเป็นการวิเคราะห์วิจัยซึ่ง น่ะมีวิพากษ์วิพากษ์กันอะไรไปมันๆเช่นคุณ 4086 เนี่ยนะมาโอ้โหสอนคนอื่นสารพัดแค่หัวก็ โพธิแม้หยาบที่สุดในสุดก็เขียนพิมพ์มาเลยอาตมาไม่กล้าอ่านเอาคําที่หยาบที่สุดมาต่อเรียงกัน 2-3 คํานะใส่ส้อยโพธิแล้วก็ต่อไปเลย 2-3 คําไม่ยมกอีก 2 ตัวนะก็เป็นเรา คศาสตร์เสเทเสมาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปศาสตร์เสเทเสใส่กันไป 4086 นี่ก็แต่นี้เรา นั่นแล้วนะเพราะว่าก็รู้อยู่จําได้อยู่นะอ่ะทีนี้มาพูดถึง ER ER นะจําบูชาท่านจําบูชากษัตริย์น้อยไปเท่าไหร่อาตมาก็ ปฏิบัติบูชาเกิดมากเกิดผลการบูชาแปลว่าการยก ในโมเลกคือที่ไม่สามารถตรวจสอบ วิชาการสอนที่แท้จริงเป็นเรื่องจริงวิจัยกันนะท่านว่ามาว่าอาตมาบูชากษัตริย์องค์ ที่ไปหวังผลอมิตรและได้ น้อยไปไปที่บอกว่ามากบูชามากไปนั้นผิดนะ อีกเยอะอาตมารวมคําไว้แต่แค่ในหลวงพระองค์นี้นั้นท่านทรงงานท่านมีพัจจริยวัตรเป็นทํารวมที่มากเพียงพอเลยน้อยไปมากเลยพัจจริยวัตรต่างๆซึ่ง ต้องบูชาต้องเทิดทูนต้องยกย่องกล่าวถึงเสนอกันน่ะอย่างมากกว่านี้เยอะ เจตนาจะแย้งอาตมาเท่านั้นแต่อาตมาว่าเพราะแย้งผิวเผินเกินไปเนี่ยมันอาตมาว่ามันไม่ได้เนื้อแท้ไม่ได้เนื้อ นี่ก็เป็นประเด็นเกินไปอาตมาตอบประเด็นแรกว่าท่านบูชากษัตริย์มากเกิน นะนี่คือคําตอบประเด็นนี้ทีนี้ ไม่สามารถไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิภาคด้วยวิจารณ์น่ะได้คือไม่สามารถตรวจสอบด้วยการใคร แสดงออกถ้าเราจะติจะชมจะแสดงไม่ใช่จะแสดงจะมีความเห็นในใจเราทําได้ความรู้ความ สำรวมสังวรระวังยกเว้นนะมันมีการสำรวมสังวรฟังดีๆนะอาตมาไม่ได้ เอาละอาตมาไม่พูดถึงกฎหมายกฎหมายเค้าแล้วไปเรื่องกฎหมายแต่นี้พูดถึงสัจธรรมโดย ฐานะที่ 1 เอ่อคือคนไม่เดียงสาสานะฐานะอีกฐานะที่ 1 ถ้าเค้ารู้ว่าคนๆนี้ยก ว่าเหมือนกันในหลวงนี่ได้อภิสิทธิ์นี่เค้าจะบอกได้แน่ๆแล้วมันก็จะปนไปหมดอะไรเนี่ยซึ่งๆนะขอ ในความเห็นของอาตมาอาตมาก็เลยต้องใช้ศัพท์ให้มันๆเท่านั้นเองอาตมานี้เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบไม่ๆ เหมือนอย่างอาตมานี่พวกเราไม่กล้าตัดสิน เย็นเรายกให้พระพุทธเจ้าหรือยกให้ผู้ที่เหมาะควรลายท่าน เนี่ยไม่ได้บอกกฎหมายยกเว้นเป็นอภิสิทธิ์ชนนี่พูดถึงสาระอาตมาก็เห็นเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าท่านกันตัสซีโรเนี่ย หมั่นหมั่นก็คงอยากจะให้อาตมาวิพากษ์วิจารณ์ในหลวงอย่างที่ท่านคิดนะอย่างที่ท่านจะ นี่เป็นความเห็นของอาตมานะศึกษากันเป็นการศึกษาตามความรู้ นะเชื้ออาตมาก็อธิบายประเด็นและอย่าลืมมาอัตมาว่าอาตมา <c oughs> <c oughs> ความเสียหายกับความได้อาตมาว่าพวกเรา คนที่ทําให้ๆและเราออกไปประท้วงเราก็ไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรมากแน่นอนมัน ต้องลงทุนหรือต้องต้องเลยเพราะฉะนั้นท่านกตสิโรมาเตือนอาตมานี่อาตมายิ่งคิดยิ่งเห็นเลยว่าท่านกับอาตมานี่มองการทํางาน อาตมาเปรียบเลยมีแต่เราจ่ายลงทุน เพราะงั้นในถ้าไปจริงวิจัยละเอียดเลยลงไปเลยว่าความเสียหายที่พวกท่านทําแก่ประเทศน้อยมากแต่ผลได้ผลดีมากขอบคุณที่เตือนให้เราคิดเราไม่ได้คิดนะว่าเราไปทําอะไรให้แก่ใครมากน้อยเท่าไหร่เราไม่ค่อยคิดเพราะเราทํา เพราะฉะนั้นตัวนี้นะงวดนี้เรากําไรเท่านี้ได้ทําประโยชน์เท่านี้ลงแต่เราดูทั่วๆแล้วก็เห็นว่าหน้านี้เราก้าวหน้าหน้านี้ ทำแก่ประเทศบ้างตั้งแต่ 49 มาเราเริ่มเร 49 พวกเราออกไปนะ 49 ที่สนามหลวงเป็นลงครั้งแรกเลยที่เปิดตัวนะยังมีหลักฐานเดินอาตมาเดิน เอาต่อจากนั้นท่านบอกว่าอย่ามองส่วนเสียของใครก็มองส่วนดีของใครก็มอง ตัดสินว่าเราเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนไปเลยเอออภิสิทธิ์ชนคือ นะโรงงานในเรื่องนี้เนี่ยนะอภิสิทธิ์ชน เพราะฉะนั้นผู้ที่ควรได้อภิสิทธิ์อย่าง เราทําทุกอย่างในสังคมประเทศชาติเราคํานึงถึงสิทธิสิทธิทุกอย่างสิทธิทั้งสิทธิทางความเป็น จะไปช่วยไปเบ่งน่ะไปทําตนเป็นผู้มีสิทธิอันเกินควรได้ควร เจตนาและได้พยายามเป็นๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อมากล่าวตู่อาตมามาตัดสินอาตมา <c oughs> ท่านตัดสินอัตมาผิดอาตมาว่างั้นๆส่วนท่านจะเห็นยืนยันถูกจนกระวบไปนี่ทําผิดกฎหมายยังไงก็ไม่ ยิ่งสุดเราๆประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่อาตมานึกถึงบูชาในน้อยท่านไม่ใช้อภิสิทธิ์ของท่าน แต่ท่านไม่ใช่อ่ะท่านไม่พยายามละเมิดหรือว่าแสดงออกซึ่งศีลที่ที่ท่านมีท่านได้ อาตมามองเห็นอย่างนี้ส่วนท่านกันๆฟังดีๆอาตมาว่าเป็นการ อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการศึกษาที่ดีนะครับศึกษาอยู่เรียนรู้ของ ปปช. ด้วย แต่ท่านบอกว่า ปปช. นี่ 2 มาตรฐานท่านตัดสินเค้าหรือเปล่าท่านตัดสินเค้าแม้แต่ว่าอาตมาเห็นว่ามันไม่ควร ท่านการรู้ว่าผู้ตัดสินผู้เจตนามาปากคนเราตั้งได้ ศึกษาเหมือนกันแต่อาตมาว่ามันไม่อยู่ในยุคการไม่อยู่ใน ประชาธิปัตย์ ปชช. เนี่ยเค้าเอ่อแหมอันนั้นเค้าองค์การปราบปรามเอออันนั้นปราบปรามน่ะนะเออๆอ่า <c oughs> อาตมาเป็นพวกเดียวกับสัจธรรมนะถ้าจะเข้าข้าง นิคคเนนิคหรหังปักขเนปคหรหังในฐานะท่านเป็นพระท่านก็คงจะได้ศึกษามาอย่างดีบ้างโอให้ท่านติดเตียนคนที่ควรทุติติดเตียนยกย่องคนที่ควรยกย่องไม่ใช่บ่ให้อมตุ้ยไม่ตรงปวิภาคหรือว่าเอาแต่ชมห้ามติไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอ่าพระพุทธเจ้า เตเนี่ยแหละให้ติได้หนักๆแม้แต่ท่านเองท่านก็บอกเรา เด็กก็เรียกดิคำตําหนิทายทายเดียว คนใดที่คบแต่ผู้ที่มีตําหนิอย่างที่ตําหนิอย่างนี้แหละจะเจริญได้เราไม่พยายามทํากับพวกเธอคือตําหนิเหมือนพวกช่างหม้อทําแก่หม้อ ทุบได้ทุบเอาเลยอานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้นี่คือพฤติกรรมพฤติภาพหรือว่า ตําหนิแล้วตําหนิอีกนั่นแหละจักขนาบเธอนี่ก็คือตําหนินี่นะใช้นิคคันเทนี่แหละตําหนิแล้วตําหนิอีกไม่มีหยุดอ่าทําอย่างช่างปั้นหม้อจนนวดแล้วนวดอีกนวด มติใครพูดแต่ดีๆเป็นหลวงพ่อดีอะไรก็ดีไม่มีฮะไว้ฮะไม่ใช่กลอนกลอน ไม่สิเลวบ้างก็ชั่งซึ่งแล้วก็ปล่อยๆเยอะเลยเยอะเลยแตกต่างศาสนาอื่นเยอะ แล้วก็ระดมเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวชั่วตัวเลวแล้ววิจัยวิจารณ์ตําหนิติเตียนเข่นฆ่าตัวทุกข์ตัวเหตุแห่งทุกข์สุขนิยมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึง เหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์วิธีธรรมก็คือวิธีธรรมดับทุกข์เข่นฆ่าทุกข์ ไปที่หมายตามที่มันเป็นจริงเห็นมั้ยยังเอาอ้างอิงหลักฐานของพุทธเจ้ามา เป็นคําที่น่ารักเป็นปิยะวาจานะเป็นปิยะวาจาในสังคหวัตถุ 4 เนี่ย 2 ปิยวจฉ ปิยัพแปลว่าของควรดื่มวัจฉะแปลว่าตําหนิคําตําหนิใครทําคําตําหนิให้คน แต่ตําหนิแล้วให้เค้าดื่มได้นี่แหละคือสังคหวัตถุคือการช่วยคน ไม่อธิบายกันเลยในศาสนาว่าปยวัจจะไปเอาคํา ถ้าไม่ตําหนิไปเอาแต่ยกย่อง นะก็เท่าที่ท่านว่าก็เวลาหมดหมดเวลามึงเนี่ย 19:08 8 นะเริ่มเมื่อ 8 นาทีแต่ตอนนี้ นะ. 19:08 น. 18น ปฏิบัติกันมานะนี่ต่างๆนานาก็ตอนนี้ พร้อมเห็นความคิดแก่กันและกันมาตรงๆเป็นคนผะพานะเป็นความจับตอกตามอุปนิสัยเป็นอย่างนี้ น่าดูกระด้างกระด้างก็ต้องขอขอศึกษาประพฤติปฏิบัติกันและกันนั่นก็ นะอาตมาก็ไม่สรุปอะไรมากมายในเรื่องเนื้อหาแต่พูดถึงเรื่องอันนี้หน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่วิพากษ์ก็ดีวิจารณ์ๆเนี่ยผู้ นะเป็นวิผู้วิภาคหรือวิจารณ์นะเป็นพระท่านตัดสินแต่ท่านตัดสินจะตัดสินสาระบางทีสิ่งที่เป็นเรื่องโลกบางทีพระอรหันต์ก็ตัดสิน จะติจะชมเป็นวิจารณ์ก็ทํากันได้เป็นธรรมดานะซึ่งก็ควรทําอย่างเหมาะอย่าง นะพระอนาคามีก็อาจจะมีอัตตาบ้างเหลือนิดๆหน่อยๆแต่ก็น้อยบางเบาสกิทาก็มากขึ้น เพราะแม้แต่ potential energy มันผลักดันมันทํางาน unconscious นะเป็นจิต แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาจนหยั่งถึงอคติอคติของจิตล้างอคติหรือโลภโกรธหลงหมดอ่าโดยวิธีของพุทธเจ้าล้างตั้งแต่ต้นหยาบน่ะกามะพบรูปะพบแล้วไอ้ใต้สํานึกก็จะเมื่อสํานึกในกามะพบ ล้างหมดก็ล่างอีกหมดอันคอนเชียสก็ขึ้นมาเป็นอรูปที่สุดๆตามลําดับนะในวิธี อ้าวทีนี้ก็เราจะมีใครพูดเรื่องอะไรอธิบายเรื่องอะไรอยากจะหรือจะอ่าอะไรก็เชิญใครได้แล้วเอาก่อนอ้าวด้านเมฆได้ก่อนนะเอาเลยที่ทางฝ่ายไฟไฟทางไฟอิเล็กทรอนิกส์ เอาตัวใหม่ข้างล่างบ้าง ทุกตัวเลยไม่ดังแสดงว่าไมโครโฟนไมค์ลอย ตอนยุคประชาธิปัตย์เราก็ไปโหวตโนแล้วก็อ่าหนีเสือปะจระเข้หรือว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้า มันถึงเวลาที่เราเองเรามีพรรคการ 2 ปีไม่ได้เพราะไปลงเอ่อเราไปประท้วงด้วยเนี่ยมัน และ 2 คนเดียวเราก็เลยต้องใช้วิธีไปโหวตโนไปรณรงค์อ่ารณรงค์แม้แต่เราเองเราก็ไม่หาเสียงให้แก่ตัวเราเองเราลงสมัครเราก็ไม่ได้หาเสียงให้ตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นมันไปสอดคล้องกันเฉยๆมาเอาแค่นี้มาเป็นเรื่องตีความว่าเราเองเราพวกเดียวกันเข้ากันไม่ใช่เลย รับความคิดโหวตอัตมาก็เข้าใจของอัตมาเองนี่อาตมาเองอาตมาก็ว่าไม่ได้ไปเอาของใครมาแล้วอาตมาครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันครับว่าไม่ใช่โนโหวตด้วยซ้ําโหวต ไม่ใช่ไม่เอาเลยไม่ไปลงเลยบ่ครับทีนี้เอ่อที่จะขอรูปหน้าปัจจมูกเนาะอย่างลักษณะของรุ่นพี่รุ่นของเอ่อบางอาชีพน่ะเค้าจะยึดไม่ฆ่าน้องไม่ <c oughs> อ่าคนที่ได้ดีขึ้นมาเนี่ยอ่ะบางคนนี้เป็นคนแต่งตั้ง ไม่รู้สึกว่าอ่าครับรูปๆมันไม่ถูกอ่ะเรื่องเรื่อง เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆแล้วจะๆคล้ายๆงั้นน่ะมันเป็นเหมือนอภิสิทธิ์มันเหมือนสิ่งที่พิเศษ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้มีกฎมีๆอย่างที่ยกให้ว่าเนี่ยนะเป็นเรื่องของถือว่านี่เป็นคนเก่านี่เป็นญาตินี่เป็นเมียเก่านี่เป็นง้นๆอย่าง ปัดจมูกหรือเปล่ายกให้อภิเษกต่างตาหรือเปล่าโดยเฉพาะสิทธิ ทำไมจึงบอกทําไมจะไปกดขี่ขมเพ้งผู้ อิติอิทะส่วนผู้ชายนั้นปุริสัตตะนะปุริสภาวะหรือปุริสัตตะเป็นก่อนหรืออย่าว่าแต่ศาสนาพุทธเลยศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ศาสนาที่มีพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยยัง ได้ดํารีบว่าเอแล้วก็มามีเพื่อนก็เลยสร้างคนที่ อีกไม่ใช่เป็นตัวเองจริงเลยเป็นตัวรองๆเนี่ยอนาโตมี่ของผู้ ลูกอยู่เป็นธรรมชาตินะมีกระดูกเชิงกลานเท่านั้นนะนอกนั้นก็ด้อยเล็กน้อยผู้ มันมีความไม่เท่าเทียมกันๆว่าผู้หญิงผู้นิ้วมือนิ้วเท่าเทียมกันผู้หญิงก็ เสาร์หาระก็จะไม่สมบูรณ์ไปตั้งขึ้นขึ้นนึงข่านนรฉลาดได้บอกว่าแล้วผู้หญิงบวชเนี่ยจะ นี่ถ้าได้ก็อะไรต้นถ้าได้ก็ได้พระนางมหาปชาบดีเค้าบอกพอเอาไปแจกแก่ ยกฐานะทับถมกันหรือว่าอะไรกันไม่แต่มันเป็นสัจจะที่ลึกเพราะยังอย่างศาสดาทั้งศาสนาอื่นก็เหมือนกันจริงๆอาตมายกตัวอย่างพระเจ้าสร้างก็สร้างอดัมใหญ่ นะเพราะงามกระตองยกให้บ้างอันนั้นอันนี้ๆคนมันไม่ครับแบนเออแปลกเหมือนนกกระดัง กราบขออากาศค่ะเดี๋ยวนึงดีพี่น้องทุกท่านค่ะดิฉันนิสิตภาคิริ้วมุ่ง ชื่อภาคิริ้วก็ค้างมาเป็นปีกว่าเพราะว่านายอำเภอไม่มั่นใจว่าดิฉันใช่อำเภอก็ไม่มั่นใจต้องกักเอาไว้ถึงปีกว่าถึงอนุญาต รู้สึกกิจใจดิฉันดีขึ้นมากค่ะแล้วก็เอ้าเอ้าใครเอ้ามันไม่ นมัสการค่ะอ้าวดังแล้วอ้าวกราบนมัสการท่านสมนาท่านสิฆมราชแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องค่ะก็คงจะ หมาไปอยู่ที่อุทยานเยอะเลยค่ะเอออันนี้ช่วยกันดูแลหน่อยเธอจะมี คือถ้าเค้ามาก็ก็จะเอาอาหารให้หมากินอ่าคือเราก็วาง 3 กินข้าวอาเปียกนั่งรอเป็นชั่วโมงเออที่จริงท่านฟ้าไทย ตอนนี้พวกเราก็เริ่มปฏิบัติการโหดขึ้นพวกเราก็เริ่มปฏิบัติการโหดขึ้นด้วยการที่มีหนังสติ๊กโอ้แต่ว่ามัน อ่าซึ่งอาตมายืนยันนะว่าพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้การให้เลี้ยงสัตว์เลยสัตว์มันเป็นธรรมชาติสัตว์ดีๆให้เข้าใจ แต่ถ้าเค้าไม่ฟังเสียงเราก็จะเริ่มพลําน้ํา UN ได้นั่นเลยก็ก็ อ่าอาตมาขอใช้โอกาสที่พูดอีกนิดนึงไว้เรื่องเลี้ยงสัตว์นี่นะอาหารอย่างรถ ไม่ได้ไปเป็นโอ้โหเลี้ยงมาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงมาจังเป็นนักล่อลวงเลี้ยงสัตว์มา นะซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของจิตปัญญา เรื่องอจินไตยของกรรมวิบากเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างกรรมวิบากที่จะ เรามาปฏิบัติทําในเราจะเลิกวิบากที่มันพันยึดติดไม่ว่าผูกพันในด้านลบหรือด้านหรือด้านผลักด้านชอบหรือด้านชังเราล้างออกเพราะเหตุการณ์นั่นเลี้ยงนี่ก็เอ็นดูเมตตาดูแลเลี้ยงคนที่ควรจะเลี้ยงนี่เยอะไปช่วยเหลือเกื้อ 1 สัตว์ไม่ต้องมาเรียงในก่อวิบาก 2 สัตว์มันเองมันเกิดมาเพื่อรับวิบาก มันก็จะต้องๆนานาเพื่อที่อื่นๆอีกวิบากมานาจินตนาอีกเยอะแยะเนี่ยอาตมายกตัวอย่างเท่า แล้วก็ต่อเป็นวิบากไปสารพัดสารเพอาตมาเคยอธิบายอย่างคุณไปนี่นะ ถูกพันกับหมาสักชาตินึงคุณเกิดมาคุณจะได้แต่งงานกับ อย่าไปเลี้ยงสัตว์ใดๆสัตว์น่ะปล่อยให้มันมีบาป อย่างสันติอสงเนี่ยๆน้อยๆมันไม่ได้ไปผูกพันเรียกดูๆน้อยๆมันมันไม่มีๆๆไม่ได้ไปสร้างวิบากความ วิบากที่เรามีอยู่ทั้งหมดวิบากที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเมตตานะเพราะอะไรถ้าคน เอาทีนี้ใครตอบขอโอกาสครับครับเอาดี 10 ครับครับ 10 อนุสติ 1 มี 1 พุทธานุสติ 2 ศีลานเอ่อธรรมานุสติ 3 สังฆานุสติ 4 เอ่อ 5 จาคานุสติ 6 เทวตานุสติเทวตานุสติ 7 มรณานุสติ อานาปานสติกมรณสติและกายคตาสติแล้วก็ถึงสุดท้ายอุปสมานุสติครับนะพุทธคําว่าอนุสติเนี่ยนะอนุสติเนี่ยที่ลงท้ายอนุมีมรณาอันเดียว มรณะนี่ท่านใช้คําว่ามรณัสสติไม่ได้ใช้คําว่ามรณานุสติครับนอกนั้นใช้อนุสติหมดอ้อปาอานาตัวเนี่ยไม่มีอนุสติไม่ได้ใช้อนุสติไม่ได้ใช้คําว่าอนุสติครับนะสิ่งเหล่านี้ต้อง ส่วนพุทธานุสติธัมมานุสติและอันๆที่มีอนุสตินั้นเป็นเช่นนี้ครับอนุสติแปลว่ามีสติตามระลึก ทั้งหมดนี่มัน 6 ตัวเนี่ยแม้ที่สุดอุปสมาตัวสุดท้ายความสงบนิพพานคุณของ ในการปฏิบันทั้งนั้นเหลือมรณะกับดีอ blades ปา uniform ค์ทุกรมให้ใจเข้า Mihwun ค์ assembly marc �%กาย fat weilsenak ati po会 ford have to reflect. เทอร์ตعم PAR'S ขelinantesวatter it is our next step. กาย finite Gotta 시บาย กาย arqu आ goodbye อhic wiz ค рад тебя of duty ๆคนรงอ่ także มรณะศ t ah bak มรณะศึกτη malanap an figuring ทรงตัวมรณัสสติเนี่ยก็ตามนะความตายของมรณะ คือแปลว่าไม่มีสงครามแล้วอรณะครับนะหมดสงครามที่จะต้องปฏิบัตินะเพราะนายจบอรณะนี่จบไม่จบนะอรณะแต่มรณะนี่เป็นเครื่องปฏิบัติให้ระลึกว่าเรา อย่าย่อหย่อนในการเพียรนั้นเป็นการปฏิบัติให้รู้จักกายส่วนอานาปานสตินั้นเตือนคล้าย อานาปานสตินี่คือเป็นสติในความเป็นเป็นการระลึกถึงความเป็น องค์ประชุมทุกๆองค์ประชุมเนี่ยกายคํานี้มันยิ่ง 8 ด้วยกายก็ ปฏิบัติไปสุ่ม 4 สุ่ม 5 มันไม่ชัดมันไม่เช่นท่านไว้ในกายกายสักขีผู้เป็นกายสักขีปฏิบัติธรรมไป พอไปขี้พอโอ๊ยมันตรงพอดีไอ้ช่องที่ขี้พอ อันนี้เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออประเด็นอะไรพวกนี้กายกาสกี้น่ะมีอาสวะบางอย่างดับไปได้ก็ตามแต่ <ข าย. S 1> เพราะคําว่ากายเนี่ยยิ่งสําคัญกายคตาสติเนี่ยนี่อาตมาก็เลยมาเน้นกายคตาสติอานาปานสติลมณณสติสกรส่วนอนุสติระลึกถึงคุณค่าของธรรมของสงฆ์พุทธคืออะไร เป็นธรรมสามีพระพุทธเจ้าและสุดยอดสูงสุดธรรมะคือคําสอนสัมมาคือสะพานธรรมะคือ มรรคมรรคมรรคมรรคธรรมคือวิธีปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติเทศน์ เอาสิ่งที่สุดยอดของพระพุทธเจ้านี้มาได้จะได้มีความมั่นใจว่าของนั่นนิพพานนั่นพระพุทธเจ้าได้คนอื่น แล้วก็ระลึกถึงแล้วก็เห็นตัวเป็นจาคะเป็นศีลเป็นจาคะเป็นเทวดาศีลก็คือหลักปฏิบัติ <นะ. S 1> เป็นกรรมฐานเป็นสัจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่จะทําเหมาะสมกับตนกับตนตามฐานานุฐานะครับเช่นเบื้อง<ใช> ปฏิบัติแล้วศีลก็จะทําให้เกิดอธิจิตส่วนอธิปัญญาเกิดอธิมุตติครับเกิดจริงๆเกิดได้ผลเพราะนั้นศีลไม่เป็นอธิจิตไม่เป็นศีลไม่ได้เป็นมาตรฐานไม่ได้ เมื่อเวลาเรารู้จักคุณของศีลรู้จักคุณ รู้จักทานรู้จักบริจาครู้จักสละรู้ธรรมทานเราก็รู้ทั้งความได้ผลเทวดาเทวดาจิต เทวดามีสามเทวดามี 3 เทวดาสมมุติเทพอุปปทิเทพวิสุทธิและวิสุทธิเทพถ้าสมมุติเทพก็คือเทวดาลกโลกเทวดาสมมุติเทวดาคนหรือว่าเจริญทั้งลาภยศ เทวดาสมมุติก็แย่งความเป็นเทวดาแค่นี้ให้ปุถุชนให้มันเป็นดีส่วนอริยชนนั้นเป็นเทวดาที่จะหรือกายในกาย รู้องค์ประกอบของกายเริ่มต้นตั้งแต่มีประสาทรูป 5 มีโคจรรูป 5 ทํา เพราะการปฏิบัติทําให้จิตเป็นอุปปัฏฐเทพเป็นวิสุทธิเทพก็คือเป็น เห็นเลยมีปัสสติมีการสัมผัสรู้สัมผัสเห็นมีวิปัสสนาญาณมีปัสสัทเห็นอุปสมะอุปสมานสติก็เป็นความจบเป็น กุศลไม่มีแล้วไม่มีภัยไม่มีโทษไม่มีตัวเชื้อของกิเลสมากวนใจสงบไม่ใช่ว่าคืออยู่นิ่ง กายะปัสสัทธิยิ่งมีองค์ประชุมขององค์รวมของสุราภาโวสติมันโตยิ่งแข็งแรงยิ่งสงบยิ่งปัสสัทธิกายะปัสสัทธิยิ่งสงบยิ่งคล่องแคล่วแข็งแรงมีมุทธภูตธาตุเร็วไวแววไวจิต แหล่งลักษณะของอนุสติ 10 นะพุทธธรรมทรงเอ่อก็คุณธรรมนะพระพุทธก็ยกไว้ธรรมคําคุณ ส่วนอีกสติ 3 นั้นน่ะอ่าอานาปานสติมรณสติกับกายคตาสตินั่นก็เรื่องนี้เรื่องอานาปานสติเรื่องกายมรณสติครับยิ่ง อ้าวตอนนี้ อาตجا จาคารวาสอีกคนใครได้ครับขอการอ้าวๆไอ้คน อ่ะเป็นคนป่วยมานะฮะอ่าเชิญพี่ปรีชาปรากฏตัวนะครับอ้าวปรากฏตัวชายคนนี้ชื่อปรีชานะครับผมจําไม่ได้นะครับๆนี้ไม่ทราบ ก็เลยพูดให้ๆฟังครับเท่านี้ครับ เล่าให้ฟังบ้างเหมือนกันว่าเป็นอะไรขึ้นมาถึงก็กรงพิการนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะแต่มัน อ้าวเหล่มบักกะโลอยู่อยู่เอามาเลยอ้าวฝ่ายจริงก่อนครับขอการน่ะธรรมะวันนี้อยู่อย่างนึงว่าเราเนี่ยนะได้กุมทรัพย์ได้ถูกว่า เออเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะก็ได้มากน่าจะได้คุ้มคือคนเวลาเค้าเห็นว่าเราไม่ถูกหรือว่า <c oughs> จนบ้านเมืองจะล่มจมคนอดอยากยากแค้นแสนเข็นตัวเองจนจนจนคน แต่เราชอบแล้วเราก็ไม่รู้สึกแต่เอ๊ะทําไมเค้าชอบ แต่ว่าผู้หญิงก็ต้วมก็เตียมก็เตาะก็แตะอ่อนๆหน่อย มันก็เลยทําจริงๆอยากจะพูดตรงกันๆก็เลยคิดว่าได้ได้ประโยชน์อย่างก็มากๆ <laughs> แล้วเราทําอะไรมากมายเราไม่ได้ทําดีอะไรมากมายความผิด ความผิดนั้นน่ะเป็นโทษของคนอื่นนะขอบคุณขอบคุณนะน้อมอย่างเดียวเนี่ยความผิดนั้นก็ อันนี้เค้าว่าแล้วมันเกิดโทษกับคนทําให้คนเกิดมิจฉาทิฐิ เอ่ออะไรวะเรื่องม้าเรื่องคุ้มทรัพย์ลืมประเด็นมันละเอียด ASMS มาบอก เอ่อบอกว่าผมยังไม่เคยไปฟังธรรมพระครูที่อโศกเลยจะ ถ้าตํารวจสัมภาษณ์แล้วบอกติดใจเลยก็ทางลายเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเห็นดีเห็นงาม ส่วนคุณคุณ 6956 บอกว่าธนาคารประกันชีวิตเนี่ยนักธุรกิจน่ะรวมนอกและในระบบเนี่ยนอกเงินนอกระบบอะไรก็ตาม เราพูดถึงอ่าอกวะลิงคราหารที่พุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างว่ากินลูกตัวเองนะพวกนี้นี่ก็หมายความว่ามันอมฤตแล้วก็ไม่รู้ความเป็นอมฤตของตนเองๆนานา พูดรีตนักธุรกิจนักการเมืองนักอะไรแต่อ่าขออภัยอีกนะนักการเมืองเนี่ยบนหลังคนอย่างเดียวนะอ่าถ้าคนทํานา เล่นเอาเงินของประชาชนทั้งหมดนักธุรกิจ เป็นอัตตฤกิโตนะกันที่เอาเปรียบเอา ลืมจนกําลังทั้งโง่ทั้งอะไรทั้งโง่แล้วก็อะไรที่ลืมโง่ลืมแล้วอะไรชั่วโง่ชั่วลืมอัลไซเมอร์กินเนื้อลูกตัวเองได้แท้ยังลูก ถาม 8 ด้วยกายนะสัมผัสวิโมก 8 ด้วยกายทาง 8 ด้วยกายเนี่ยคํา สรุปง่ายๆสัมปทสัมปัฏฐิโมกข์ 8 ได้กายนี่ก็หมายความต้อง 230 ที่พุทธเจ้า กายนี่หมายถึงจิตเป็นหลักแต่ไม่ขาดตึ่งตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งบุคคลอธิบายอธิบายเมื่ออยู่ภายนอกนี่คุณล้างกิเลส หมดกามภพกามาวจรกิเลสนี้หมดแล้วเป็นอนาคามีคุณก็ๆมีอเนญชายิ่งขึ้นมี ก็ลืมตานะรูปภพก็คืออย่างอธิบายแล้วว่าอันคอนเชียสซับคอนเชียสมันขึ้นมาแล้วค่อยอันคอนเชียสก็ขึ้นมาแล้วก็การเพราะฉะนั้นกายเนี่ยนะสัพพวิโมกข์ 8 คือสัมผัสทางกายนอกหรือกายในคะโผตัพพะกาย ถือมนะมโนนี่เป็นตัวในจิตเป็นคํากลางนะส่วนวิญญาณกายเนี่ย แล้วก็มีเจตสิก 3 หมวดของเจตสิก 3 หมวดของเวทนาสัญญาสังขารศึกษา ก็พูดถึงเอ่อ วนบ. หรือว 3บ นะก็รู้สึกมีบางคนสงสัยเหมือน บางคนก็ถามเผื่อๆว่าอยากจะเอ่อเนี่ยฟังฟังมาทุกวันเนี่ยอาจจะมาลองดูๆส่วนสมัยนี้เอ่อประเด็นผมรู้สึกว่าทิพกรอภัตตะปิฎกมาพูดถึงก็ก็ มันทําให้คือคือทําให้รู้สึกว่าแต่แต่ก่อนพอครูพูดก็เข้าใจแล้วนะครับเจ้า แต่ก็ก็ดูว่าเราก็พอฟังได้ใช่ที่พ่อเราได้เห็นได้ว่าความเข้า ไปที่ไหนที่ไหนใครก็สอนอย่างนี้กันหมดเคยอ่านพระสุทดงเอ่อพระที่ท่าน <laughs> อยู่ในห้องมีแต่ซากผีอะไรเงี้ยมันก็อย 16 ข้อ 230 ใครมี น่ะชัดเจนจริงๆเลยเป็นหลักฐานยืนยันโอ้โหอาตมาว่าได้อันนี้ดีอย่างใดเมื่อยนะอาตมาอธิบายพยายามอธิบายเมื่อยพอได้อันนี้แล้วโอ้โหหายเหนื่อยไปเยอะครับคือใน เขาก็ไม่รู้ ผมก็รู้ถึALLYเขาก็ไม่มีวิธีเหมือนกัน ว่าที่เขามาถึงจิตได้อย่างไรอย่างทราบ encouraged are 출ajing легко Diese call became Defend that establishment оминаuse dettaief of Jesus andihatères ASEm Prim of the blood will stand up with KITOM Gyang also felt as if it was engaged as him tulß so there is as well, at will be the suffering diyor efend to result since his عocking like this Fazzie being in aarcted body, being azekisk is defined that, as it is look for the picture indicating. It's Sahara, Mahir we'll stem from the properties of psychological symptoms, SO He'sель Neer, tulisande to magualize way of a matter, because I บางบางทีท่านก็บอกว่าไปอยู่ทะเลแล้วก็ก็ลืมคิดเรื่องตัวกูของกูคําหมดตัวไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวกูของกูที่มันเป็นกิเลสตั้ง ญาณของโสดาบันเนี่ยว่าพระโสดาบันเนี่ยย่อมมีทิฏฐิความๆไปของคนโดยปุชนทั่วๆ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกรรมเสือนการเกิด ยัง गिवन ต้นน่ะเบื่อหนายนี่ให้จิตมันเบื่อหนายให้มโนเบื่อหนายมันเบื่อหนายทั้งจิตน่ะส่วนนั้นไม่ได้ส่วนที่มาเอากันเอ๊ะมันก็เข้าจิตที่มโน ไอ้กายเนี่ยเราไปยึดแค่กายน่ะมันก็ครูไปยึดมันไม่ได้เห็น เอาต้องเป็นอย่างนี้นะครับฟันธงเปรี้ยงเลยว่าต้องเป็นก่อนจะ <c oughs> เอ 20 นาที 11 นาทีแล้วนะ